ก็เหมือนกระทงลอยน้ําเนี่ยทำให้กระทงไหวได้ง่ายไหมไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกระทงวันอพอปราสาทไหวเท่านั้นแหละเทวดาก็ร้องร่นบอโอยป ร, โปรดทำปราสาสให้เยอยู่ตั้งดั้งเดิมถเถอะนะกลัวธิทานเนี่ยนะเราเข้าจริงก็เลยกลัวสมมเนยนก็เปล่งอุทานบนยอดปราสาสนั้นว่าเราบวชในวันนี้ก็บรร ล, ลุอาสวาัไขคืออรหัตผลในวันนี้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 เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แท้เป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้ น, น, ะนะก็อัปปามโนธรรมโมนั่นเองเราบวชในวันนี้ก็บรรุอาสวัคไกคืออรหัตผลบวชวันเดียวก็ทำอรหัตผลให้แจ้งสา ม, มารถทำปราศาสนี้ให้วันไหวโอ้พระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีคุณมโหรามีคุณ หาประมาณไม่ได้อันผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยช่างมีคนที่ยิ่งใหญ่แท้บ่างั้นความน่าอัศจรรย์แห่งพระรัตน์ไตรเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวข้อที่สองก็คืออนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์นั่นเองเนี่ยนะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์หรือเทวดาทั้งหลายก็สามารถทําแผ่นดินให้หวันไหวได้ ส่วนเหตุผลต่อไปเนี่ยนะเหตุที่แผ่นดินไว้อย่างที่สามสามเป็นต้นไปเนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งหกข้อหกข้อหลังเนี่ยนะหนึ่งจุติจากดุสิตสองประสูตจากขันพุทธมารดาสามตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสี่ประกาศพระธรรมจักห้าปลงพระชนมายุหก ปรินิพานด้วยอนุปาที่เสสานิพานทิ้งขันห้าปรินิพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินก็หวั่นไว้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหกข้อเต็มเลยนะคิดรายละเอียดนะหนึ่งจุติจากดุสิตคือเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีแล้วปฏิสสนที่ในดุสิตตอนที่จุติจากดุสิตแผ่นดินก็ไหวประสูตรจากขานันพุทธมารดาแผ่นดินก็ไหวตรัสรู้นุตรสัมมาสามัมโพธิญาณแผ่นดินก็ไหว ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแผ่นดินก็ไหวปลองอายุสังขารแผ่นดินก็ไหวอันนะปริญิพานด้วยอนุปาทิเสศรปริญิพานแผ่นดินก็หวั่นไหวเนี่ยนะตอนที่ไปอินเดียเมื่อเดือนตุลาปีก่อนโน่นเนี่ยนะปีก่อนโน่นเนี่ยก็ไปเกือบทุกแห่งเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวนะที่ที่ไหนบ้างไปที่ประสูติเนี่ยนะหนึ่งที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ประกาศพระธรรมจักร แล้วก็ไปที่เมืองไผ่สาลีเข้าไปวันก็ไปสถานที่ที่แผ่นดินไหวเนี่ยห้าแห่งด้วยกันไม่ได้ไปอยู่ที่เดียวคือที่ดุสิตเนี่ยนะที่พระองค์จุติแล้วก็แผ่นดินไหวมาเนี่ยไม่ได้ไป น, นะเดี๋ยวก็จะไปแล้วอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดสักเล็กน้อยในหน้า396บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งที่หนึ่งเนี่ ย, ยอันนี้ด้วยอนุภาพของาธาตุกาเริบ แผ่นดินไหวครั้งที่สองก็เพราะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์ครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยนะลงสู่คันหรือตอนที่ปฏิสนธิกับคลอดจากคันพระพุทธมารดาอันนี้อน <tit> ุภาพของบุญเพราะผู้มีบุญอ <illes> ันนี้อนุภาพของบุญนี่ก็ทําให้แผ่นดินไหวได้ส่วนตอน ต, ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาปัญญาที่แทงตลอดพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ทําให้แผ่นดินไหวส่วนประกาศพระธรรมจักนั้น อันนแผ่นดินหรือเทวดาที่ประจําภาค พ, พื้นให้สาธุการก็เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวส่วนตอนที่พระองค์ปรงมายุ่สังขารแผ่นดินไหวก็เพรา ะ, ะพุท ม, มเทวดาเป็นต้นมีใจกรุณาส่วนแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายปรองตอนปริณิพานอันนี้ก็ความร้องให้ของเหล่าเทวดาอีกในหนึ่งท่านบอกว่าครั้งเมื่อพระโพธิสัตว เสด็จลงสู่พระคันพระพุทธมารดาตอนที่ประสูติจากคันพระพุทธมารดาอันนี้แผ่นดินไหวด้วยอำนาจบุญของพระองค์แท้ปราสรู้อภิสัมโพธิยานเนี่ยนะปราสรู้อันนั้นก็ด้วยอนุภาพของพระยานของพระองค์ประกาศพระธรรมาจับแผ่นดินก็ให้สาธุการปลงอายุสังขารแผ่นดินก็กรุณาเนี่ยนะเรียกว่าทนไม่ได้เนยจิตใจก็หวั่นไหวเหลือเกินสงสารพระพุทธเจ้าด้วย เป็นต้นน น, นะส่วนครั้งสุดท้ายก็บอกร้องให้นั่นกลังแห่งการร้องให้อันนี้ด้วยอนุภาพของไหนภู ม, มิเทวดาทั้งหลายนั่นเองส่วนตัทพีที่หวั่นไหวนั้นเป็นมหาภูต ร, รูปไม่มีเจตนาเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระอนนละ่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสเล่าว่าเพจให้แผ่นดินไหวมีแปดประการใช่ไหมในแปดประการนั้นเนี่ยนะอยู่ข้อไหน ครั้งนั้นนะนะก่อนที่พรองค์ปรงมายุสังขารก็เพราะเหตุที่พระองค์ปรงมายุสังขารความที่พระองค์ปรงมายุ่งสังขารนั่นแหละแผ่นดินก็หวันไหวขึ้นที่แผ่นดินเอ่อที่พระองค์ปลงมายุสังขารเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยนะเพื่อที่จะแสดงธรรมให้พระอนุลฟังว่าที่พระองค์ปรงมายุสังขารพระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยสักนั้นนะพระองค์ไม่ได้เคยกลัวแม้กระทั่งในบริษัทแปดเพราะอะไรพระพรองค์มีอภิพาญตะแปด พระองค์นี้มีวิโมกขแปดความที่พระองค์เนี่ยนะอะครอบงําบริสัทธ์แปดพระองค์มีอภิพาญตนะแปดพระองค์มีวิโมกข์แปดทันพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในคุณธรรมเช่นนี้พระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะที่ปรองพระชนมาายุสังขารทีนี้พระองค์ก็ตรัสเล่าให้พระอ น, นุลฟังว่า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 สมณบริษัดจ่าตุมบริษัดดาวดึงบริษัดมารบริษัดพรมบริษัดบริษัดทั้งแปดเนี่ยนะโดยเฉพาะบริษัดแรกคือกษัตริย์บริษัดเนี่ยนะสภาสภากษัตริย์นี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมเรายังจําได้ว่าเราเข้าไปหาขัตยะบริษัดหลายร้อยเนี่ยนะหลายร้อยเครียกว่าหลายร้อยครั้งเข้าไปหาสมาคมกษัตริย์เนี่ยนะไม่ใช่ไปครั้งเดียวนะ ณที่ขัติยะบริษัทนั้นเราเคยนั่งร่วมเคยเปรีสัยเคยสนทนาพวกกษัตริย์เหล่านั้นมีวันละเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเสียงของเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเรานั้นให้พวกกษัตริย์เหล่านั้นเห็นแจ้งสม า, า, าทานอาถรรพร่าเริงด้วยธรรมนีกถาพระองค์ไปสอนเขาทั้งๆ ท, ที่พวกกษัตริย์เหล่านั้นไม่รู้จักเราผู้พูดว่าผู้นี้เป็นใครหนอพูดอยู่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 อนาคตนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยพวกเราทั้งหลายไม่แน่นะพระพุทธเจ้าอาจจะไปเกิดไปโปรดพวกเราแล้วใช่ไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระองค์เนี่ยก็เลยตอนนี้รู้แล้วรู้ว่าพระองค์เป็นใครแล้วนะเป็นพระอาหารหันต์ตระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองและยังมีอีกดูก่อนอนนเรายังจําได้ว่าเข้าไปหาบราหมนะ่ะบริษัทคือบริษัทพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะหลายร้อยครั้ง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 ในบริษัททั้งหมดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์คึ้หบดีสมณะจาตุมดาวดึงมารพรมเนี่ยนะที่เราเคยไปหลายร้อยครั้งเดยได้เรานั้นก็เคยฟังร่วมเคยปราศัยเคยสนทนาบริษัทสีสันผิวพรรณของพวกเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นนั้นเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใดเราก็พูดภาษาเช่นเดียวกันกับเขาเหล่านั้น เราก็แนะให้พวกนั้นเห็นแจ้งสม า, า, าทานอาหารร่าเริงด้วยรรมมีกระทาแต่ว่าพวกพรามพรหมณพฤหบดีสมณเจตุลดาวเดืงมารบริษัททั้งหมดเหล่านั้นไม่รู้จักเราผู้พูดว่าผู้นี้ใครหนอะผู้จะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ครั้นเราให้พวกนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาธารให้รา่าเริงแล้วก็หายไปพวกนั้นไม่รู้จักเราว่าหายไปแล้วว่า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 พระองค์ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยนะและขณะเดียวกันพระองค์ก็มีจิตมั่นคงยอย่ามีจิตมั่นคงมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนอนนอภิพาญตนะฌานที่ครอบงำค่าศึกและครอบงามอารมณ์แปดอย่างเหล่านี้แปดอย่างเป็นไฉนะคือหนึ่งผู้มีความสําคัญหรือเจริญกสินบริกรรมภายในรูปร่างกายของตัวเองแต่เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ที่มีผิวพันธุ์ดีบ้างมีผิวพันธุ์ซามบ้าง น, นะหมายคถาว่าได้ฌานเนี่ยนะคือครอบงามรูปเหล่านั้นก็มีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตระนะข้อที่หนึ่งคือพวกนี้เจริญกสินในร่างกายภายใน น, นะเช่นเจริญกระสินภายในท่านบอกว่าเจริญนีละกระสินในภายในที่ผมที่ดีหรือดวงตา ดวงแววตาดำมันนะปีตากรสินกสินสีเหลืองที่มันค้นที่ผิวที่หลังมือหลังเท้าหรือว่าสีเหลืองของดวงตาโลหิตตกรสินกสินสีแดงที่เนื้อที่เลือดที่ลิ้นหรือว่าที่สีแดงของดวงตาทํากสินบริกรรมที่โอทาตกรสินสีขาวเช่นกระดูกฟันเล็บหรือสีขาวของดวงตานะพแต่ว่าสีที่เป็นภายในนั้นไม่ใช่กสินที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 วิตกจริญเนี่ยนะเป็นพวกวิตกจริตจะเห็นรูปภายนอกเล็กส่วนพวกโมหะจริตจะเห็นรูปภายนอกใหญ่พวกเห็นรูปผิวพันธุ์ดีเพราะเป็นพวกโทสะจริตถ้าพวกเห็นรูปผิวพันธุ์างก็เป็นพวกราคะจริตแล้วก็ครอบงำรูปทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะและมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตันนะข้อที่สองอันนี้ก็เนื่องจากเจริญกสิณภายในแล้วก็ สังขารร่างกายภายในแต่ก็เข้าฌานได้เพราะอารมณ์ภายนอกปรากฏขึ้นกลุ่มที่สามผู้หนึ่งมีความสําคัญในอารมูภายในหมายความว่าไม่ได้เจริญกสินบริกรรมภายในอะไรเลยเห็นรูปภายนอกเล็กมีผิวพันธุ์ดีมีผิวผ้าสามครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพภา ย, ยตนะข้อที่สมก็คือพิจารณากสินจากผมคนเล็กฟันหนังของอสิ่งอื่นนอกจากภายในตน อย่างที่สี่ผู้หนึ่งมีความสำคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกใหญ่จะลืมว่าพวกเห็นเล็กเนี่ยเป็นพวกวิตกจริตพวกเห็นใหญ่นี่เป็นพวกโมหจริตเนี่ยนะผิวพันธ์ดีก็เพราะโทสะจริตผิวพันธ์ซางก็เพราะราคะจริตครอบงำรูปเหล่านั้นและก็มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพาญตนะข้อที่สอันนี้ระดับฌานทั้งสี่ทั้งปมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจัตุทัชฌาน ข้อหนึ่งก็ระดับชั้นสี่ข้อสองก็ระดับชั้นสี่ข้อสามก็ระดับชั้นสี่ข้อสี่ก็ระดับชันสี่